ยังไงันอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นไหอยู่กับตัวเองทะเลาะกับตัวเองบ่อยไหมจริงจริงจริงนะจำเปเลย ความทุกข์มัน เ, เกิดเพราะเราทเลาก็นเองไงไม่ไมพอใจใม่พอใจเวลามัาปุ้งสร้างมีไหมองมีบ้างนะแร <c oughs> กแรกก็ก็วางใจกับต่อปพุงสร้างไม่ได้ใหม่ใหม่ก็ธรรมดานะที่บางทีก็หงุดหงิดบางทีก็ ไม่ยาให้มันคิดแต่เนนะี่ยใหม่ๆถ้าคนเพิ่งฝึกเลยจะรู้สึกว่าทำไมปฏิบัติมันคิดมากมันฟุ้งมากแต่ก่อนไม่รู้ว่าแต่เองฟุ้งแบบนี้คิดแบบนี้ที่จริงไม่ใช่ว่าแต่ก่อนมนะันไม่ฟุ้งนะแต่มันอฟุง้งมันไม่รู้ปอๆกับคนคนป่วยบางคนนะอะ แต่ไม่ไปหาหมอก็คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรพอไปเช็คนั่นเจ็คนี่ครับเป็นนั่นเจ็คนี่หลายอย่างจิตตกพอรู้ตัวเองเป็นหลายอย่างจิตตกตอนไม่รู้ว่าตัวเองเป็ น, ปนไม่ค่อยจิตตกนะแต่จริงเริ่มแรกเหมือนนั่นแหละเราก็ทําให้เรารู้ว่ากราหลงบ่อยเนา ะ, นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าก่อนปฏิบัติเราไม่หลงนะ แต่หลงก็เราไม่รู้ตัวว่าหลงแต่พอคนมาปฏิบัติแล้วจะรู้สึกแล้วว่ามันมีความหลงแล้วมีไหมพอรู้สึกว่ามันหลงมันคิดบ่อยที น, นี้มันจะเริ่มสร้าง่ะตร้างไม่อยากหลงไม่อยากหลงไม่อยากพุ่งอยากแยกสกบรกมันจะเริ่มเข้าไปตั้งตั้งใจมากขึ้นจัดการกับลม หรือว่ากดข่มอารมณ์อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะนะพอมันรู้สึกว่ามันมันปุ้งมันไม่ดีแต่ก็อยากจะให้มันดีเราอยากจะให้มันสงบมันก็จะเริ่มตั้งใจนะตั้งใจมากขึ้นเป็นไหมนะเป็นนะนี่ถ้าใครเป็นก็ถูกทางนะเริ่มแรกก็แต่ปุ้งก็ดีนะับมาถูกทาง ถูกที่ตรงไหนถูกที่รู้ตัวว่ามันปุง้งนะไม่ใช่ว่าไปอยู่กับความปุ้งนะอยู่กับความปุงนะ้งเนี่ยใครๆเขาก็อยู่กันมานานล้ะเราก็อยู่กันมานานล ะ, านานละสัตว์เองก็อยู่กันมานานลเนะก็แต่พอเราเริ่มรู้ตัวว่ามันปุ้งเนะคือเราเริ่มเห็นนะว่าวันวันหนึ่งมันปุ้งบ่อยมันคิดบ่อยเนี่ย อีกส่วนหนึ่งพอเราอยากจะให้มันดีนะมันดีได้นานไหม <c oughs> ไม่นานนะมันกลับมาก็ประเดี๋ยวไปแล้วมันมันต้องวางใจเหมือนเหมือนเราฝึกฝึกสัตว์อยฝึกมา้าฝึกแมวหรือเราฝึกเด็กอนะเราต้องบางใจอย่างนั้นนะคือมันจะประเดี๋ยวประดาวจะให้ได้ตั้งใจ ในคําสั่งแรกในวันแรกเลยมันไม่ได้หรอกมันมันต้องฝึกไปเรื่อยฝึกเด็กศึกษาเอก็ได้แต่คืออ่าแต่วันนี้ก็เหมือนกันเอามาฝึกตัวเองบางคนอาจจะไม่ใช่วันเดียวแล้วนะเป็นปีแล้วนะแต่มันก็แบบนั้นย่งงงเพราะเราสะสมอนุสัยความเคยชินมามาหลายสิบปีหรือเอาก็อจริงๆนะมาหลายชาติเปิดความเคยชินทั้งใจไหม คนเราก็เกิดมามันจะบางคนพ่อแม่เดียวกันนะเป็นพี่เป็นน้องก็แตกต่างกันเอยิ่งคนในสังคมคนนะเรียกว่าถิ่นแวดล้อมยิ่งมีความแตกต่างกันนะบางคนเหมือนกันบ้างต่างกันมากแสดว่าแต่ละคนเขามีของเดิมกันมาอยู่แล้วของเดิมที่ปึกดีบ้างของเดิมที่ปึกไม่ดีบ้างมีแลยทุกคนหละเนี่ยที่จิ้ที่เราสะสมมันมามันมานี อันนี้พอเรามาฝึกใหม่หรือบางคนอาจจะไม่ใหม่หรอกเป็นการฝึกต่อยอดของเดิมที่เราไคยฝึกแล้วมันก็อาจจะมีง่ายบ้างยากบ้างของแต่ละคนแตกต่างกันนะแตกต่างกันนั้นก็ให้แต่ก็ไม่ต้องไปกังวลมากเดี๋ยวก็คือว่าให้มาตั้งใจในการฝึกให้มีสติมากขึ้นเราจะเห็น เห็นตัเองเยอะขึ้นไหมวันนี้เอาง่ายๆร่างกายเนาะร่างกายคือสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นนะคือเราอยู่กับร่างกายมากแต่เราไม่ค่อยเห็นร่างกายร่างกายเราเราก็ให้มันทําแบบตามความเคยชินตามความเคยชินจริงนะคําว่าสัตว์นะจริงๆก็คือ <ๆ S 2> ทําตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณแบบสัแบบตว์นะอาจารยก็ไม่เราไม่ต่างจาก หมาจากแมวจากสักตว์ต่างๆเขาก็ทําตามสัญชาตญาณหนิวก็หากินโกรธก็ไปกัดกันอะไรนะคือเราทําตามสัญชาตญาณง่ว ก, ก็นอนนะคือสัญชาตญาณนนีะ่คือพื้นฐานของของของสัตว์เนาะแต่เราจะทำไงให้เราอยู่เหนือสัญชาตญาณมากขึ้นในการที่จะยกจิตให้มันสูงขึ้น ไม่ทําตามเพียงแค่อารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่มันมันเคยชินในการทําตามทําตามอารมณ์ทำตา ม, า ม, ตา ม, ตามความคิดนี่คือเรื่องของการฝึกจิตให้มันมันสูงขึ้นหลวงพ่อพุทธทาสเลยบอกเนี่ยนะเป็นมนุษย์เป็นได้ที่ใจสูงเนะี่ยคือใจมันสูงขึ้นนะความเปนมนุษย์นยะมันต่างจากสัตว์ต่างจากคนตรงที่ ที่ใจสูงไม่ใช่ที่ที่รูปร่างหรือใบหน้านะใช่ไหมคือเนี้ยกลับสุขียังไงให้เราอยู่เหนือการที่ทําอะไรตามสัญชาตญาณหรือการที่ทําอะไรตามความเคยชินความเคยชินที่เราเรียกว่านิสัยถ้ามากมากก็เรียกว่าสันดานใช่ไหมใช่จะดิดนิสัยหรือว่าสันดานนี่คือความเคยชินที่เราทํามีจะดิดโพบเนาะโธสัจจะดิดโมหะจะดิดราคะจะดิด ที่ตกจะดิตทุกที่จะดิตนะนี่นี่คือมันก็จะมีจดิบพาลราไปแต่เอาเข้าจริงทุกคนมีทุกจะดิตทุกคนมีทุกนิสัยแต่จะหนักอ่อนตามกันบ้างการภาวนาเราเห็นไหมเราจะเห็นจดิตนิสัยความเคยชินในในหลายๆแบบมันโผล่ขึ้นมา เห็นไหมเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นกับตัวเองความหงุดหงิดเกิดขึ้นกับเวลาเราคนอื่นมาก็พบเห็นไหมบางคนที่หงุดหงิดก็จะเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นบ่อยเดี๋ยวคนนั้นปิดประตูดังกระหงุดหงิดละคนนั้นปูโทรศัพท์นะหงุดหงิดละคนนี้ไม่ทําถูกระเบียนะอย่างเงี้ยคนเจ้าระเบียบางทีก็จะมีนะ แต่บางคนส บ, บายๆเรื่องนี้ไม่เป็นไรแต่อาาัดเกิดไปทางปรุงไปเรื่อยแต่แต่ละคนอาจาอาจะมีจดิตแตกต่างกันเราว่าจะเห็นนะบางคนขี้หงุดหงิดก็จะเป็นาอาการหุดกิดเกิดขึ้นก่อนบางคนนะชอบจัดการก็จะมีนิสัยรู้สึกอยากจะไปจัดการอย า, ากจะไปจัดการหรือบางคนก็ไม่ค่อยสนใจอื่นแค่ขอปุุงอย่างเดียว<ม> คิดห่วงคิดปรุงไปเรื่อยมันก็แตกต่างกไปอันนี้คือเราก็จะเห็นไอความเคยชินบ่อยๆที่มันเกิดมันจะเห็นบ่อยแต่ถ้าใครภาวนาไปเรื่อยๆมันจะมีอีกเราก็จะเห็นเพิ่มขึ้นเห็นในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นบางอย่างมันซ่อนหรือบางอย่างมันมันเกิดไม่บ่อยนะักถ้าเราสังเกตไม่ดีมันจะไม่ค่อยเห็น พอเราเริ่มมีสติมากขึ้นมันจะเริ่มเห็นเองแต่ก่อนคิดว่าเราเป็นคนไม่หงุดหงิดนะแต่พอคอนะคอาไปเลยยจะมีความไม่พอใจอยู่นะเ น, ะนะี่ยเมก็อนเราคือคนคนใจเย็นใจดีแต่พอเริ่มไม่พอใจแล้วนะแต่ น, นะเดี๋ยวแต่ก่อนคิดว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมีอะไรมากระทบเราเริ่มเห็นนะมันก็มีบ้างมีในะทุกคนแหละแต่มากน้อยตามกันบ้างแต่ามาเองนะคอนาไปก็ ก็เห็นตัวเองชัดขึ้นเราก็เห uh uh ็นอ uh ีกหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าแต่ก่อนไม่เห็นมันก็มันก็มีนะนะอารมณ์เศร้าอารมณ์เหาอารมณ์นั้นนี่มันก็มีแทรกเข้ามาในในบางจังหวะในบางตอนที่ที่นถูกกระทบบ้างหรือมันพูดขึ้นมาของตัวเองบ้างนะเราก็จะเห็นตัวเองมากขึ้นนะแต่ก็อย่างที่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ กิ่งสะพานคือถ้าเราเก่นแค่แค่รู้ว่ามันเป็นรู้ว่ามันเป็นถ้าเราไม่แค่รู้ว่ามันเป็นเราจะมันจะมีปัญญาออกไปสองทางทางหนึ่งพอเส้นมันเกิดอารมณ์ขึ้นปุ๊บเราจะเกิดอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้เราอยากจะให้มันเกิดบ่อยๆเช่นความสุขความสบายอยากให้เกิดบ่อยๆ ความรู้ตัวอยากเกิเรื่อยๆความหลงความฟุ้งต้านความโกรธไม่อยากให้มันเกิดมันจะถ้าเราไม่รู้ด้วยความเห็นกลางเรจะเกิดแล้วก็เกิดความชอบแล้วก็ความไม่ชอบสลับกันไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าใจไม่เป็นกลางแล้วก็จะทําตามตรงนั้นคำว่ชอบไม่ชอบบางทีก็ไปไปยุ่งกับอารมณ์คนอื่นไปจัดการคนอื่นหรือบางทีก็มาจัดการกับตัวเอง มันเก่งไหมอืมเป็นเราโกรธแล้วก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่โกรธก็จะมาโทษตัวเองหรือบางคนโกรธไปโทษคนอื่นที่ทำให้เกิดแล้วก็คล้ายๆกันนีอันนี้แต่ถ้าเรารู้สเฉยๆแล้วก็แค่รู้สึกอยากที่มันเป็นเนาะดูด้วยความเป็นกลางพอพอใจเราเปลอเป็นชอบไม่ชอบเราก็แค่ตามรู้ว่ามันมันชอบนะมันไม่ชอบนะ หรือบางคนอาจจะไม่ได้แยกม่าชอบไม่ชอบมันแค่ปรุงเป็นอะไรก็ไม่รู้แยกไม่ออกว่าคืออะไรก็ไม่ต้องแยกก็ได้นะยิ่งดีนะรู้สึกเพียงแค่ว่าจิตจิตมันไหวจิตมันปรุงอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ทันจะเรียกว่าเป็นอะไรก็ก็แค่นั้นก็ได้นะอืมแค่รู้สึกแบบเฉยๆแบบออมันมีความผิบโปกซีเกิดขึ้นก็แค่รู้มันอย่างที่มันเป็ น, นคือ จิตมันจะเริ่มไม่ไม่ไปอะไรกับสิ่นรอบข้างมากหรือไม่เป็น่ะไม่แปลอะไรกั บ, บ ก, กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมามันก็แค่แค่รู้เฉยจิตมันก็เฉยมากขึ้นเป็นปกติมากขึ้นนี่คือใจมันจะเป็นแบบนี้ยมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไหวหรือปรุมก็ปรุมไม่มากนะเนี่ยเริ่มมีไหมมีบางช่วงใช่อืม แต่รู้สึกมันจะเป็นบางช่วงบางชื่อวงรู้สึกเออมันนิ่งดีนะบางคนจะรู้สึกนิ่ ง, ง, ง, ง, งดีสงบดีมีความสุขดีแต่ครานี้คนแบบนี้ต้องระวั ง, งอย่างหนึงคือถ้ามั น, นได้งใหม่จะมีความติดใจพอวันนี้สมมติได้ตรงนะเนี้ยแต่วันพรุ่งนี้หรือคอร์สหน้ามาติดกันมันจะเหมือนอยากจะได้อีกต้องระวังเลยนะวันนี้มันได้แล้ว วันพรนี้มันจะอยากได้แต่อยากได้มันจะไม่ได้ไม่อยากได้กลับได้คือตอนที่เราทําก็ทําไปเรื่อยมันมันได้ของมันเองแต่ถ้าสมมติตอนเย็นยอมกลับไปทาใหม่แล้วอยากจะได้ไปตั้งใจทำแล้วก็อยากจะได้ปิดจิตมันจะปิดคิดว่เมื่อไรจะได้เมื่ อ, อไรจะได้มันจะไม่ได้เพราะเราปิดปุ้งว่าอยากจะได้อืมแต่ถ้าทํำไป เ, เรื่อยกับ ทำแบบไม่สนใจจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ทําไปเรื่อยพอทําเหตุมันสมควรเดี๋ยวมันก็ได้ความสงบเดี๋ยวก็ได้สมาธิของมันเองแต่อย่างก็คืออย่าไปติดมันนะก็แค่ดูว่ามันดูว่ามันสงบรุ่นพอมันหายมันจะไม่เสียดายแต่ถ้าเรารู้สึกว่าได้มันดีพอมันหายมันเสียดายพอมันไม่ได้แล้วก็จะเสียใจ แต่ถ้ามันได้ก็ก็แค่รู้ว่ามันได้มันหายก็แค่รู้ว่ามันหายมันก็มันก็จะเป็นจิตแค่เห็นอาการจิตมันมันเป็นของมันเป็นของมันจิตเราก็จะจิตมันก็ตัดขากนะอาการที่มันสุกรื่นพวกมันตัดขาดมันจะเห็นว่าไอตัวจิตก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันก็ส่วนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยของมันแต่ตัวจิตจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่มัน อาการที่มันเกิดขึ้นนะมนันเป็นแค่อาการถ้าเปียดเยาบหยาบคล้ายๆเหมือนกับร่างกายแล้วก็แต่เราก็ใส่ชุดนั่นชุดนี่มันชุดเสื้อผ้าหรือ บ, อบริบทมันก็คือสิ่งสมมุติที่มันมามาสวมทับอีกทีหนึ่งอาการของจิตแต่ถามว่าคิดตัวเราเป็นอะไรกันแน่เราเอามันเป็นอะไรเราใส่ชุดสมมตุติชุดทหารเราเป็นทหารเราใส่ชุด นั่นชุดนี้เป็นนั้นเป็นนี่แหละแต่จริงมันก็นเป็นเพงแค่ชุดที่เรามาใส่นะแต่จริงตัวจริงๆมันมันมนไม่มันไม่ได้เป็นอะไรเราก็แะค่อยๆเห็นแล้วก็ใจแล้วเป็นกลางพอได้อะไรมาก็ดีพออะไรผ่านไปก็ดีมันก็มันก็ยังเป็นปกติได้อันนี้คือต้องระหว่างนั้นเวลาคนที่ได้อาการสงบมีสมาธิมีความเพลินในการภาวนา มันจะรู้สึกอยากได้อยากได้แต่แ ร, แรกมันก็จะไม่ค่อยทันหรอกพอมารู้สึกผิดหวังผิดหวังสักสองสาครั้งมันจะเริ่มเรื่องจิตนะมันเจ็จ่าน่ะคือบางทีเอามาพูดไปก็พูดมีนั่นแหละพูดให้โยมฟังไว้ก่อนเพอตอนเอามาเจอจริงจรนั้นก็ไม่ทันหรอกแต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเจ็บเราเริ่มทุกข์เพราะความอยากนะ่ะอยากจะได้อีกแล้วหรือว่าผิดหวังไปแล้วนะมันจะเริ่ม ภาวนา้เนี่ยมันจะเป็นบทเรียนในการที่เราเข็ดรราจำนะนะมันพอมันทุกข์มันจะรู้พอจำแล้วมันจะอ่อพอมันจะเริ่มอยากได้อยู่แลมันจะมันจะมันจะรักของมันแต่ถ้ากูบาอาจารย์บอกว่าจะไปรักความอยากมันมันจะไม่ค่อยคาหวัแต่พอเราเริ่มเห็นว่าความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะแม้อยากด้านดีนะพอเริ่มเห็นว่าความอยากไปเห็นเกิดความทุกข์มันก็ อจะค่อยๆรู้ทำก็ค่อยๆละมันก็จะทําไปได้เรื่อยๆทำไปได้เรื่อยๆมาชุ่มทำไปเท่าที่มันทําได้เนี่นี่คือเป็นแบบนี้บ้างไว้หรือบางทีมันเกิดนังเกิดอีกแยกนะเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดอะไรแต่ช้านบางอย่างขึ้นก็ก็อย่าไปลบมันนะอย่าไปลบ แต่วิธีนี้ก็ค่อนข้างดีอย่างเกิดนิมิตน้อยนิมิตคือถ้าใครเคยทำสมาธิมาจะรู้ได้ว่านิมิตเนี่ยมันยิ่งชวนหลงเวลาจิตสงบจิตมีความสุขเนี่ยมันจะเกิดเกิดนิมิตตัวเบาตัวลอยรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็เยอะหนักมันก็จะชวนให้เราสนุนิมิตมันเหมือนเป็นของเล่นเล่นมาสนุก มันเหมือนเหมือนได้ของพิเศษเหมือนอะไรนะของ แ, แปลกมันจะชวนให้เราสนุกแต่ในเช่นเราฝึกดนตรีตรงนี้อาจจะไม่ไม่เกิดมากซึ่งผมว่าอ ม, มาว่ามันดีคือถ้าเราถ้าเราไปหลงในยิ่งนี้จะไม่มีผลเตือนะ่ะเราจะไปเตือนกับความสนุกกับอิทธิพลิภาคิฐานพาะนั้นมันจะมันเป็นเรียกว่าเป็นเปลือกของของการปฏิบัติเนาะ แต่วิธีนี้อาจจะเกิดน้อยแต่มันอาจจะเกิดเองความสงบความสุขหรือว่าแตกฉานความรู้หรือบางทีนก็จะเกิดอารมณ์อยางเช่นอยากจะบอกอยากจะสอนอยากจะแนะนํายากจะชวนคนมามาปฏิบัติเพรารู้สึกว่าเราได้ประโยชน์เราก็อยากจะคาดหวังให้คนอื่นได้ด้วยโดยเฉพาะคนใกล้ตัวมีไหมมีน <c> ะ <oughs> <c oughs> มีแต่ก็แรกๆมันก็เป็นนั่นแหละเดียวเป็นบ้างแล้วก็แต่ เ, เราก็จะผิดหวังแล้วเราเป็นค่อยๆเองิดเองพอเราแรกๆเราคิดว่าเราทําได้คนอื่นก็ทําได้เราก็อยากยิ้มคนอื่นทำได้เหมือนเราบ้างนะมันก็จะรู้สึกแต่นะัะแต่พอเราเข้าจริงๆนะแต่ละคนก็ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแบบของการดรักกันนะ มาถึงแต่ละคนก็มีหเหตุผลแต่ๆของเขาไปบังคับมัไม่ได้หรักนะมันก็เลยเป็นเหมือนในไทยเรารู้สึกว่าอันนี้ดีเราก็อยากให้เขาได้บ้างนะแต่บางทีถ้าเขาไม่ไม่ไม่รับในะสิ่งที่เรานั่นเราอาจจะพิดหวังหรือบางทีก็ไปว่าเขาโง่ว่านั่นนี่นะว่าในใจนั่นเป็นใหญไม่ไคยว่าออกนอกนะแต่มันจะรู้สึกดูถูกรู้สึกอืรู้สึกเราดีกว่า เขาว่าด้อีกว่าเราฉลาดกว่าเขางู้กว่าเนะี่ย <c oughs> มันจะเป็นความรู้สึก <c oughs> เราต้องรู้ทันคนรู้สึกตัวอีกนะรู้สึกเราต้องรู้ทันตัวตนที่เราเป็นนะว่าเราดีเราเก่งเราฉลาดนะอะไรนี่ยอ็นนี้ก็คือตัวบอกอะไรหนึ่งนะเราอุตสาให้เธอนะเธอไม่เอาเนะี่ยนมันจะรู้สึกเราดีเขาไม่ดี อันนี้ก็คือตัวหลงวิเวณในวิปสัสสุทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้านักปฏิบัติธรรมไม่รู้เท่าทัานมันก็จะไปหลมติดติดในในสภาวะผู้รู้สภาวะผู้อยากบอกอยากต่อ น, นั้นมันก็จะรู้ทันแต่ก็ต้องค่อยๆสังเกตอารมนี้ะล้วมาสังเกค่อยค่อยเท่าทันมันแล้วก็ความมัญญาจะอยากจะใจว่ามันจะเห็น <c oughs> อยากจะบอกอยากจะพูดอยากจะ ตร้างอะไรขึ้นมานันจะค่อยๆเห็นเนี่ยเือสติมันจะค่อยๆเตือนขึ่นที่จริงมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันพิสดาร น, นะในเรื่องคนนีน้แต่แต่ก่อนนั้นเราไม่เคยเห็นมันไม่ทันมันนะธารมะในจริงมไม่ใช่รเรื่องพิสดารหรอกแต่เป็นเวื่องกระบวนการรู้ท่าทันกระบวนการปรุงแต่งนะคําว่าปัญญาที่เขาบอกเนะี่ยปัญญาคือการรอกรู้ในกองสังขาร ความเปกางคือร่างกายแล้วก็จิตใจปัญญาคือการรอบรู้ก็คือรู้ท่าทางสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายสิ่งที่ปุงแต่งขึ้นในจิตใจนั่นแหละคือปัญญานะปัญญาไม่จำเป็นว่าโยมจะต้องเทพเก่งอธิบายได้ดีแต่ถ้าเราแค่รู้ทันร่างกายแล้วก็จิตใจไม่ตกเป็นไม่ตกเป็นในอารมณ์ของร่างกายคือจิตใจเนะี่ยคือเรามีปัญญาแล้วนะปัญญาคือตรงนี้ พอเรารู้ท่าทันความทุกข์มันก็จะไปค่อยกระโดไปของเองพืดเหมือนไม่ให้ถามเลยนะม่มีไหมมีใครพูดขนาดนี้ก็ยังสงสัยอยู่อาจารย์มีก็ถามได้นะบางที มันมันก็มีจริงแหละแรกแรกก็ความสงสัยมันก็เยอะหรือไม่แน่ใจอีกสองสามเดือนอาจจะไม่ได้เจอจันนะเดือนธันวามกราไม่มีนะไ <c oughs> <c oughs> ม่ติดมันมีเดือนเยอะแต่ไม่ได้มาสอนนะ <c oughs> การกระจายครับความเฉยนะครับคือปฏิบัติแล้วนี่มันได้มาบ่อยทีนี้มันเกิดความสงสัยเกิดขึ้นมาว่าทําไมมันอยู่ๆมันก็เป็นอย่างนี้ไปหมดนะเสร็จแล้วมันมีวันหนึ่งขึ้นมาว่าตื่นขึ้นมาปั๊บมันไม่มีความความคิดอะไล็กทริกขึ้นในในในความคิด เสร็จมันก็เกิดความสงสัยว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นมาว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมานี่ถูกหรืปล่าหรือว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นสมถะหรือเปล่าคือการเป็ว่ามันมันความคิดที่มันที่เคยคิดว่ามันต้องมีการปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีความคิดที่อะไรที่เกิดขึ้นแต่เผื่อว่ามันตื่นมามันไม่มีความ ความคิดเราเแต่ว่าเวลาเดินมันก็มีความรู้สึกเหมือนเดินตรงๆเดินไปสภาพรู้อารมณ์อนี้นะครับแต่สภาพหนึ่งเกิดความสงสัยออกมาว่าเตัวเรามีเกิดอะไรเกิดขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่สงสัยใช่คือเยอะคือบางครั้งพอมันว่างว่างมัสงบคือเราเคยกินกับความไม่ไม่สงบม คิดไว้พอมันสงบมันก็จะเริ่มแตกฮะจริงมันไม่ใช่สงบนะคือเราเดิเฉยเดินเฉยแล้วมันเดินได้ก็เดินสามารถรู้สึกตัวว่าเราเดินความรู้สึกตัวเดินไปก็รู้สึกว่าเรากําลังเดินนะจะไปเปิดไฟหรืออะไรก็มันก็รู้สึกนะนะครับก็เลยแล้วก็ บางท่านก็บอกว่าผมไปทําอะไรเหมือนเป็นสมถะไปก็คือไปเพ่งหรือว่าทำอะไรเกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่ได้อยู่ในนวทางของของพระเทียนนะก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วมันเป็นัตบแบบนี้นี่เกิดการเฉยๆไม่มีความคิดเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรกันแน่จะเป็นสมถะหรือว่าวิปัสนาหรือว่าเป็นปิดา คือมาก็มีดูหล อ, อกน้ำว่ามันจะเป็นสมนทานหรือพิพิพัฒนาแต่ถ้าเมื่อไหร่พิยมเกิดสนะเพาเนี่ยรู้สึกว่าเราสงสัยว่าเราปฏิบัติผูกหรือผิดอะไเนะี่ยให้เรายอดจะมาดูความสงสัยเนี่ยหะไม่ต้องไปยินคือจริงไม่ต้องได้คําตอบก็ได้ว่าสมาถทานหรือพิพัฒนาหรืออะไรตอนนั้มันคิดว่าสงสัยมาถูกหรือผิดนะให้ยอมจะมาดูความสงสัย แต่ท่าแต่ท่านก็บอกว่าให้เบียดูว่าคุณไปทําอะไรผิดหรือเปล่ม่ไม่ก็เลยก็เลยมัติดตรงนี้ว่าเอ๋อก็อ้อนกับมาหาสาเหตุทําในพิดหรือเปล่าผมว่าท่านบอกว่าเออให้คุณกาแฟทำเป็นแบใหม่แล้วก็คุณเกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาคุณไม่มีความคิดอะไรคิดใหม่คือมันคิดอยู่ มันคิดว่าถูกหรือผิดนั่นแหละใช่เพราะก็ถูกถูกคําถามกลันมาก็เลยงงเลยแน่เลยเพราะจำไม่ได้ไม่ได้อธิบายว่าอะไรคืออะไรรู้ตรงที่ปัจจุบันอย่างที่ว่าปัจจุบันตอนเนี้ยเช้นปัจจุบันตอนนี้มันเฉยเราก็แค่รู้ว่ามันเฉยแต่ตอนวนี้พอมันเฉยเราไม่เฉยจริงๆนั่นว่า ปุ๊บ เ, เราสงสัยว่าทําไมมันเฉยอันนี้คือปัจจุบันใหม่คือความสงสัยว่าเช่นทาไมมันเฉยมันถู ก, กรนะหรือมันผิดอันะหรือมีคนมาว่าเราทําไม่ถูกเป็นธรรมะเราก็เกิดความสงสัยแล้วเราทำอันนี้ให้เรารู้ทันอารมณ์ที่ตัวเนี้ยที่จริงอดีตมันจะทําถูกรืผิดที่จริงมันถูกผิดทุกคนนะั่นแหละถูกผิดทุกคนแต่ ปัจจุันเนี่ยตื่มันเกิดอะไรเรารู้แค่ตรงนั้นพอเพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้เรามีสติต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่การที่ไปตบตวนว่าอดีตเราทําถูกหผิดอย่างไรหรอถ้าเราจะมีสติรู้กายรู้ใจได้ไม่ไปติดความสงบนิ่งๆเชยๆแบบทั้งวันทั้งคืนนะไม่ตื่นแค่มันเป็นทั้งเป็นหลายวันอ่ะแต่นี่ยค่อยสงสัยหรือว่าค่อยค่อยหาทางใหม่แต่ถ้ามันเป็นเพียงแค่เช้าขึ้นมาเฉย มันไม่เป็นอะไรหรอกอแต่ถ้ามันเฉยนานๆาเป็นหลายวันหลายเดือนเนี่ยนะปิดอะก <c oughs> ็ไม่ได้ติดใดนะเรียกได้ว่าบริบบต์ไปเรื่อยๆต่อไปให้รู้ถันส ง, งสัยรู้ว่าสงสัยไม่แน่ใจรู้ว่าเหมือนไม่แน่ใจแค่นั้นแหะถือสภาพาว่าทำจริง ม, มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยปัจจบุบันจริงๆนะคือรู้ตอนนี้นะ ไม่ใช่ว่าปินรอบทวนว่าถูกหรือผิดแต่ตอนนี้เกิดอะไรรู้ตรงนั้น อ, อืมีไหมเป็นเอืม สงสัยก็ก็เอาไปทําต่อเนาะหรือสงสัยก็ไปทําต่อคือความสงสัยมันก็จริีๆถ้าเราไม่มีสติมันก็ข้ามไม่ได้หรอกเพราะว่า <c oughs> เราก็เ็ะได้คําตอบคือคือกระบวนการเรียนรู้ทางโลก ข, ของเรามันทัน่วไปเราสงสัยพวกเราก็ต้องถามหรือต้องหาความรู้นะ มันี่มันก็เลยบางทีการถามหรือการอ่านก็ทําให้เรารู้รู้คาําตอบแต่แต่กระบวนการธรรมะคือทําไงให้เรากลับมาเห็นใจที่ที่มันสงสัยหรือใจที่มันอยากอยากจะถามอยากจะอยากจะได้คาําตอบไห้เนี่ยสําคัญก่อนนะธรรมะคือมาเห็นใจที่มันอยากอะ่ะเนี่ยคือบางทีสงสัยมันทําให้เราทุกข์ หรือความอยากอยากอะไรที่เห็นที่เกิดความทุกข์คือเราย้อนกลัมาเห็นทุกข์คือเห็นเห็นความอยากเห็นความทุกข์ที่มันมันอยากอยากได้การะบายหรืออยากจะได้กันคลายไปนี่คือเห็นทุกข์คืออะไรเห็นใจเป็นทุกข์เห็นการเป็นทุกข์เพราะเพราะอะไรก็แล้วแต่นะคือพอเราเริ่มเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันจะได้คำตอบเอง อะแต่เป็นคําตอบที่ไม่มีคําพูดเยเป็นคำตอบที่เราแค่รู้สึกมันไม่มีคำพูดแต่มันพรอพอมาเห็นพวกมันความอยากมันหายความอยากมันหายมันก็มันก็มีคําตอบในแต่มันไม่มีคำอธิบายนะอืมันมันก็แค่นั้นเมื่อกดตรงใส่มันหายมันก็ไม่ต้องมีคําตอบใช่ไหมเหมือนไม่มีคําถามก็ไม่ต้องมีคำตอบใช่ไหม แต่ถ้าคำถามมันยังมีความสงสัยอย่างนี้แล้วยังไม่เขียนมันมันก็ยังอยากได้คําตอบเหมือนเหมือนของที่สมมติอ น, นะเมื่อวานมาก็เปียกเทียบมันเมด่ันมามีแก้วใบนี้มารู้สึกมันว่างเหมือนเลยต้องหาอะไรมาใส่จะได้รึกมีคุณค่าบ้างแก้วมันว่างไม่มีประโยชน์ต้องหาอะไรมาใส่มีมคุณค่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราสงสัยรู้สึกเราเป็น ยังไม่รู้ยังไม่เก่งใช่ไหมเราต้องอยากได้ตรงต่อมันเกินหน่ะพี่จริงไม่มีอะไรนะถ้ามันว่างก็ก็มันไม่ก็ไม่ปสนใจมันมากหรือเห็นมันเฉยมันก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกมันต้องรู้ต้องได้ต้องอะไรมันจะรู้สึกต้องมีวุ่นวายอักมาแต่พอมันความใสมันหายไปปุ๊บมันเหมือนไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่ต้องมาอะไรมาใสก็ได้มันมันว่างแต่ แต่การปรุงแต่งมันก็มันว่าเพราะเราเห็นเห็นอารมณ์แบบนี้เนะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ก็ก็ฝากไว้ น, น, นี่คุณอาจารย์ต้องเติมกันนะปากของกันอาจามย์ก็สองเดือนเนาะไม่ได้เจอกันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ ช่วงเวลาที่แบบมีหลายอารมณ์นะที่เกิดขึ้นตั้เราวังนะอย่าไปเดินอารมณ์ว่างาน <c oughs> <c oughs> าเพราะเราจะพอโช่วงปีใหม่นะก็จะมีใช่ไห ม, มอารมณ์สนุกสนานอารมณ์อยากชอปปิ้งอารมณ์อยากนู่นอยากนี่นะคับมันก็เป็นช่วงเทศกาลนะหรือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงจะเป็นแบบที่ในหลวงใช่ไหมครับ ทันซีอย่างเงี้ยจะหมายถึงวอาจจะมีอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์เสมอารมณ์สร้างอะไรเงี้ยจะหม้ยงอย่างนั้นนะไรเงีนั่นคือตรงเนี้ยสอเดือนนี้อารมณ์แรงเราแต่ก็ดีอย่างนะเพราะอารมณ์แรงแรงก็เห็นง่ายนะนั้นนี่คือตรงนี้ก็เราก็ให้แล้วก็ให้ให้สิ่งที่เกิดขึ้นใน่ใจก็เป็นบทเรียนของเราก็พระอนรสเล่าให้ฟังว่าเมืม่อช่วง ที่คนจีนมามาทุนปรากฏว่าพอออดกับเขก็มีเวลาใช่ไหมครับแล้วก็พล้ก็พอมีเวลาก็ไปช็อปปิ้งปรากฏว่าพอช็อปปิ้งไปก็พอรูก้กระเป๋รู้สึกตัวเอพอรู้กระ๋า็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวก็รายได้ขึ้นหน้แล้วไอ้ของที่อยากซื้อไม่ต้องซื้ อ, อก็ากราะฉะนั้นก็ฉะนั้นพอรู้สึกตัวก็แรงไปก็ไม่ต้องซื้อ ได้เห็นของใหม่รู้สึกตัวใหม่ปรากฏว่าชอบกินมันไม่ได้ของเลยก็ให้เราเป็นแบบนี้กันนะรแต่ก็ให้เหมือนแบบีดีอะไรก็เรียกว่ามีบททดสอบในแต่ละนากลับมารู้สึกตัวนับารู้สึกตัวกับเดยวเีการนะครับกลมหาก็ดมีโอกาสไดเจอกลนใหม่ก็มีประการต่างมาล่าสู่กันฟักั Thank you.